ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเวินยญาสังฆะอัตตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศรีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่สิบเจ็ดมันจะปีถาดิสังคิกะเสนาเ ส, น, าสเนสุปฏิปัติชิตั บ, บะวินิชยกถา คาถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติในเสนาสนะของสงฆ์มีเตียงต่างเป็นต้นคำว่าการลาดที่นอนในวิหารของสงฆ์แล้วหลีบไปความว่าการลาดที่นอนในวิหารของสงฆ์แล้วหลีดไปจากวิหารเพราะต้องการจะไปอยู่ในที่อื่นในเรื่องนี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้พิสุลาดเองก็ดีใช้ให้คนอื่นลาดก็ดี ซึ่งที่นอนในวิหารของสงฆ์แล้วไม่กระทําการเก็บเองเป็นต้นก้าวล่วงเครื่องล้อมแห่งวัดที่มีเครื่องล้อมก้าวล่วงอุปจาระแห่งวัดที่ไม่ได้ล้อมเป็นอาบัาติปาจิตตีเพราะมีพระบัญญัติว่าอันหนึ่งพิสูดใดลาดเองก็ตามใช้ให้คนอื่นลาดก็ตามซึ่งที่นอนในวิหารของสงฆ์แล้วเมื่อจะหลีไปไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช้ให้คนอื่นเก็บก็ดีซึ่งที่นอนนั้น ไม่บอกลาก่อนจึงไปก็ดีเป็นอาบัตตาจิตตีบรรดาบทเหล่านั้นชื่อว่าที่นอนได้แก่ของสิกอย่างก็คือฟูกเครื่องลาดรักษาพื้นผิวเครื่องลาดเตียงเครื่องลาดพื้นเสื่ออ่อนท่อนหนังผ้าปูนั่งผ้าปูนอนเครื่องลาดทําด้วยหญ้าเครื่องลาดทําด้วยใบไม้เสร็ชนิดนี้นะ ในบรรดาเครื่องนอนเหล่านั้นคําว่าฟูกได้แก่ฟูกเตียงหรือฟูกตังเครื่องลาดที่เขากระทาเพื่อรักษาผิวแห่งพื้นที่เขาบริกรรด้วยปูนขาวเป็นต้นปูเครื่องลาดนั้นไว้ข้างล่างแล้วปูเสื่ออ่อนไว้ข้างบนชื่อว่าเครื่องลาดรักษาผิวพื้นผ้าปูนอนที่พึงลาดบนเตียงและตังชื่อว่าเครื่องลาดเตียง ชนิดแห่งเครื่องปูลาดมีเสือดำแผนเป็นต้นที่ควรลาดไว้บนพื้นชื่อว่าเครื่องลาดพื้นเสืออ่อนที่เขาทำด้วยใบตาลก็ดีได้เปลือกปอก็ดีชื่อว่าเสืออ่อนแม้บรรดานหนังสัตว์มีสีหะเสือโครงเสือเหลืองเสือดำและมีเป็นต้นหนังชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่าท่อนหนัง จึงอยู่ชื่อว่าหนังที่ท่านห้ามในการบริโภคใช้สอยเตนาสนะไม่ปรากฏในอาตมกฐาทั้งหลายก็คือใช้ได้หมดสำหรับหนังทั้งหลายนะเป็นหนังของสัตว์ ร, ร้ายต่งตางๆก็ได้เพราะเหตุนั้นบัณฑิตเพงทราบว่าห้ามเฉพาะในการบริหารคือใช้หนังสีหะหนังเสือโคร่งเป็นต้นของบุคคลคือเอามาใช้เป็นส่วนตัวไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นของเตนาสนะที่ใช้ได้เหมือนกับทองกันนะ ถ้าเป็นทองเป็นเงินที่เป็นวัตถุเครื่องใช้ในเสนาสนะนี่ก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยเป็นของสงฆ์แต่ถ้าเป็นของบุคคลแม้กระทั่งรับก็ไม่ควรจับต้องก็ไม่ควรเป็นอนามาตวัตถุผ้าปูนั่งปงทราบว่าผ้ามีชายผ้าปูนอนได้แก่สิ่งที่ท่านกล่าวไว้เพียงเท่านั้นว่าผ้าปาวานผ้าโกชาเครื่องราดญ้าได้แก่เครื่องร า, าดญ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้ในเครื่องลาดใบไม้ก็ในนี้ก็พิกูุลาดเองก็ดีใช้คนอื่นลาดก็ดีซึ่งเครื่องนอนสิทธิชนิดนี้ในวิหารของสงฆ์อย่างนี้แล้วเมื่อจะหลีกไปพึงบอกลาก่อนแล้วจึงไปเมื่อพิกูุมีอยู่พิกูุจะบอกลาพึงบอกพิกูุเมื่อพิกูุนั้นไม่มีพึงบอกลาสามเณรเมื่อสามเณร น, นั้นไม่มีพึงบอกลาคนทําการวัด เมื่อคนทำการวัดนั้นไม่มีพึงบอกลาเจ้าของวิหารผู้สร้างวัดหรือผู้ใดผู้หนึ่งในวงตระกูลของเขาแม้เมื่อเจ้าของวิหารหรือผู้เกิดในวงตระกูลของเขานั้นก็ไม่มีเทียตุพึงวางเตียงลงบนหินสี่ก้อนแล้วยกเตียงต่างที่เหลือขึ้นวางบนเตียงนั้นรวมที่นอนทั้งสิบอย่างมีฟูกเป็นต้นกองไว้ข้างบนแล้วเก็บนาพันดะไม้พันดะดิน ปิดประตูและหน้าต่างบำเพ็ญขมิญยวัตรแล้วจึงไปขมิญยวัตรหรือว่ามิกวัตรหมายถึงที่ถูกผู้เตรียมที่จะไปจะเดินทางไปที่อื่นจะต้องประพฤติวัดก็คือเก็บของข้าวของอะไรวัตถุต่างๆให้เรียบร้อยสำหรับที่นอนสิบชนิดนั้นทบทวนก็คือข้อที่ห น, นึ่งฟูกอันที่สองเครื่องลาดรักษาผิวพื้นอันที่สามเครื่องลาดเตียง อันที่สี่เครื่องราดพื้นอันที่ห้าเสื้ออ่อนอันที่หกท่อนหนังอันที่เจ็ดผ้าปูนั่งอันที่แปดผ้าปูนอนอันที่เก้าเครื่องราดทำด้วยยญ้าอันที่สิบเครื่องราดทำด้วยใบไม้อันนี้ก็หมายถึงที่นอนถ้าปูราดที่นอนไว้ในวิหารของสงฆ์แล้วก็ไม่เก็บดีไปต้อบรรพจิตตี ถ้าเสนาสนะฝนร่วได้และหญ้าหรืออิฐที่เขานำมาเพื่อมุงหลังคาก็มีอยู่ถ้าอุตสาหะก็พึงมุงถ้าไม่อาจพึงเก็บเตียงและตั่งเป็นต้นไว้ในโอกาสที่ฝนจะไม่ร่วรลดแล้วจึงไปถ้าเสนาสนะฝนร่วทั้งหมดเมื่อสามารถพึงเก็บไว้ในเรือนของพวกอุบาสกภายในบ้านก็คือภายในหมู่บ้านถ้าแม้พวกอุบาสกเหล่านั้นไม่ยอมรับกล่าวว่าท่านขอรับ ธรรมดาของสองเป็นของหนักพวกกระผมกลัวไฟมีไฟไหม้เป็นต้นเดีย๋ยวจะต้องไปชดใช้นั้นไม่ได้อ่ะเพาของสองมาเก็บไว้บ้านนี้ไม่เอาด้วยดังนี้ทิศสุจะวางเตียงลงข้างบนหินแม้ในโอกาสกลางแจ้งแล้วเก็บเตียงต่างเป็นต้นที่เหลือโดยในดังกล่าวแล้วในก่อนนั่นแลเอาจาพวกหญ้าและใบไม้ปกปิดแล้วจึงไปก็ควรก็คือเอาเครื่องนอน ที่นอนทั้งหลายเนี่ยมาวางไว้บนเตียงเพื่อที่จะป้องกันพวกปลวกต่างๆจึงอยู่ของที่ยังเหลืออยู่ในที่นั้นแม้จะเป็นเพียงชิ้นส่วนก็คือตัวเตียงตันก็จะเป็นอุปกา ร, ระแก่พวกพิกูจนเหล่าอื่นผู้มาในที่นั้นชนี้แลพิกษุเมื่อจะเก็บเองแล้วไปพึงรื้อเอาเครื่องถัดร้อยเตียงและตันออกหมดแล้วม้วนแขวนไว้ที่ราวจีวรแล้วจึงไป เตียงของอินเดียนี่เขามักจะใช้พวกหญ้าพวกเชือกมาถักแล้วก็มาผูกที่เตียงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประเภทนี้ก็รือ้อแล้วก็ม้วนเก็บไว้แขวนไว้ที่ราชิวอนแล้วไปจะได้ไม่ถูกพวกปลัวพวกอะไรกัดถึงพีสุผู้มาอยู่ภายหลังถักเตียงและตังใหม่เมื่อจะไปก็พึงกระทาอย่างนั้นเหมือนกันทิ่สุผู้ปูที่นอนจากภายในฝาไป ถึงภายนอฟฝาแล้วอยู่ในเวลาจะไปก็พึงเก็บไว้ในที่ที่ตนถือเอามาแล้วนั้นทีเดียวแม้พิสุผู้ยกลงมาจากชั้นบนแห่งปราสาทแล้วอยู่ภายใต้ปราสาทก็ในนี้เหมือนกันก็คือเอาเครื่องนอนมาจากที่ไหนเวลาจะไปก็เอาไปเก็บไว้ที่เดิมแม้พิสุจะตั้งเตียงและต่างไว้ในที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันแล้วในเวลาจะไปภายนอพึงเก็บไว้ตามเดิม ในที่ซึ่งตนถือเอามานั่นแหลอันนี้ก็เป็นมารยาทสังคมทั่วไปเป็นความเรียบร้อยด้วยโดยเฉพาะเรืรรวิตุก็ต้องมีสติตามัญญาที่จะรู้ว่าเอามาจากที่ไหนก็ต้องเอาไปเก็บที่นั้นพึงทราบวินิจฉัยสถานที่ควรบอกลาและไม่ควรบอกลาในเสนาสนะทั้งหลายดังต่อไปนี้ศาลลาใดเป็นศาลลายาก็ดีเป็นศาลลาใบไม้ก็ดีศาลาใบไม้ก็เรียกว่าบารรณศาลานั่เอง อยู่บนพื้นดินหรือว่าเรือนที่เขาสร้างบนเสาไม้ทั้งหลายหลังใดเป็นที่ปลวกขึ้นได้ก่อนเมื่อพิจุจะรลีดไปจากสาลายาวเป็นต้นนั้นพึงบอกลาก่อนแล้วจึงหลีดไปเพราะว่าบอกลาแล้วก็จะได้มาดูแลมาดูแลบ้างปลวกอะไรจะได้ไม่ขึ้นเพราะว่าเมื่อสถานที่นั้นไม่มีใครปฏิบัติเพียงสองสาวันตัวปลวกทั้งหลายย่อมตั้งขึ้น ส่วนเสนาสนะใดเป็นเสนาสนะที่เขาสร้างไว้บนหินดาหรือบนเสาหินก็ดีถ้าที่ก่อดด้วยหินก็ดีเสนาสนะที่ฉาบโบกปูนขาวก็ดีในเสนาสนะใดไม่มีความสงสัยในเรื่องปลวกจะขึ้นเมื่อพิกตุจะหลีกไปจากที่นั้นจะบอกลาก็ตามไม่บอกลาก็ตามไปเสียก็ควรเพราะฉะนั้นการบอกลาจะต้องรู้ด้วยว่าที่บอกลาก็หมายถึงว่า เสนาสนะต่างๆเหล่านั้นมันจะเสียหายไปด้วยปลวกอันนี้ก็ควรไปบอกลาแต่ถ้าเสนาสนะนั้นเป็นตึกเป็นปูนหรือว่าไปปลูกอยู่บนหินดาตัวนี้ปลวกไม่ขึ้นก็ไม่บอกลาก็ได้แต่การบอกลาย่อมเป็นธรรมเนียมของผู้เตรียมจะไปก็ควรจะบอกลาโดยเฉพาะพระพุทธเจ้านี้จะเป็นธรรมเนียมประพเพณีของพระพุทธเจ้าว่าถ้าใครนิมนต์ให้จำพรรษาในที่ใดแล้วเวลาจะไปจากที่นั้นก็ต้องไปบอกลา ถ้าตัวปลวกทั้งหลายจะขึ้นทางข้างหนึ่งในเสนาสนะแม้เช่นนั้นได้ควรบอกลาก่อนแล้วจึงไปฝ่ายพิสุอาคันตุกะใดประพฤติตามพิกษุผู้ถือเสนาสนะของสงู่ไม่ถือเสนาสนะสำหรับตนอยู่เสนาสนะนั้นเป็นธุระของพิกษุรูปก่อนนั่นแหละตราบเท่าที่พิจุนั้นยังไม่ถือเสนาสนะสำหรับตน ก็จำเดิมแต่พิจุนั้นถือเอาเสนาสะนะแล้วอยู่โดยเป็นอิสระของตนเป็นธุระของพิกจุอากันตุกะนั่นเองถ้าแม้ทั้งสองรูปแจกกันแล้วถือเอาเป็นธุระแม้ของท่านทั้งสองรูปก็คือมีประเพณีการถือเสนาสะนะด้วยนะประโยชน์ก็ได้แก่พระสุก็ได้มีที่จหรับโพนาแล้วก็เสนาสะนะนั้นก็จะได้มีคนดูแลด้วยเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการแจกเสนาสะนะกัน โดยเพาะเข้าพรรษานี่นะแต่ออกบรรษาก็มีการแจกกันด้วยแต่ในมหาปัญจเยีท่านกล่าวไว้ว่าถ้านพิษุสองสามรูปร่วมกันจัดตั้งคือช่วยกันปูร่าในเวลาจะไปควรบอกลาทุกรูปคือช่วยกันปูรา่านะเวลาจะไปก็ต้องไปบอกลาทุกรูปที่ช่วยกันถ้าบรรดาภิกษุเหล่านั้นรูปหนึ่งไปก่อนทําความผูกใจว่ารูปหลังจะปฏิบัติแล้วไปย่อมสมควร ความพ้นจากอาบัตย่อมไม่มีแก่รูปหลังเพราะความผูกใจรูปแรกมีผูกใจได้แต่รูปหลังมีผูกใจไม่ได้พิสูรหายรูปส่งพิสูรรูปหนึ่งให้ไปปูในเวลาจะไปพิสูรทั้งหมดจึงควรบอกลาหรือพึงส่งพิสูรรูปหนึ่งไปบอกลาพิสูรนําเอาเตียงและตังเป็นต้นมาจากที่อื่นแม้อยู่ในที่อื่นในเวลาจะไปพึงนําไปไว้ในที่เดิมนั่นแหละ ถ้าเมื่อพิสุน์ำมาจากที่อื่นแล้วใช้อยู่พิสูุอื่นผู้แก่กว่ามาอย่าพึงห้ามท่านพึงเรียนว่าท่านขอรับเตียงต่างกระผมนำมาจากอาวาสอื่นท่านพึงทำให้เป็นปกติเดิมเมื่อพิสุผู้แก่กว่านั้นรับรองว่าเราจะทำอย่างนั้นดังนี้พิสูจนนอกนี้จะไปก็ควรจรึงอยู่เมื่อพิสุจน์แนํนำไปในที่อื่นอย่างนี้ใช้สอยอย่างใช้สอยเป็นของสง ยังไต่างน้นจะเสียหายไปก็ตามเก่าชำรุดไปก็ตามถูกพวกโจรลักไปก็ตามไม่เป็นสินใช้อันนี้ถ้าใช้เป็นของสงถ้าใช้ไม่ของสงก็หมายถึงว่าพิจภภุรูปใดมาก็ให้ใช้ได้อันนี้ก็เป็นของสงคือไม่ได้ใช้เป็นของส่วนตัวถ้ามันเสียหายไปก็ไม่เป็นสินใช้แต่เมื่อพิษุใช้สอยอย่างการใช้สอยเป็นของบุคคลย่อมเป็นสินใช้เมื่อของนั้นเสียหายไป อันหนึ่งเมื่อพิโตใช้ต่อยเตียงต่างของผู้อื่นอย่างใช้ถอยเป็นของสงก็ตามอย่างใช้ถอยเป็นของส่วนบุคคลก็ตามเตียงต่างเสียหายไปก็เป็นสิ่งใช้เหมือนกันเพราะว่าเป็นของบุคคลยืมเข้มาใช้ก็ต้องใช้คืนเทตกึงลาดเครื่องนอนในภายในวิหารแล้วมีจิตอ้วงยายอย่างนี้ว่าเราจับมาปฏิบัติในวันนี้นั่นแหละไปยังฝั่งแม่น้านําหรือละแวกบ้าน แล้วยืนอยู่ในที่ที่เธอเกิดความคิดที่จะไปนั้นนั่นเองทรงใคร่ๆไปบอกลาหรือมีเหตุบางอย่างในบรรดาเหตุมีแม่น้ําเต็มฝั่งพระราชาและโจรเป็นต้นขัดขวางพิษตุถูกอันตรายขัดขวางไม่อาจจะกลับมาได้ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ไม่เป็นอาบัติแก่พิษตุรูปนั้นอันนี้หมายถึงว่าต้องผูกใจไว้แล้วนะว่าจะกลับมาเก็บให้เรียบร้อยแต่ว่ากลับมาไม่ได้ น, นี่ไม่มีอาบัต ก้อิษตูปูเองก็ตามใช้คนปูก็ตามซึ่งที่นอนที่ศาลาโรงฉัมนมณฑปหรือที่โคนต้นไม้ในที่ใกล้วิหารหลีจากที่นั้นไปไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช้คนอื่นเก็บก็ดีไม่บอกลาไปเสียก็ดีเป็นอาบัตทุกกฏถ้าไปปูที่นอนที่ศาลาโรงฉัมนมณฑปหรือว่าโคนต้นไม้ใกล้วิหารเนี่ยถ้าไม่ใช้เก็บก็มีอาบัตทุกกฏ แต่ถ้าเกิดไปปูของสงในเสนาสนะของสงไม่เก็บเนียอบัจจิตตีเพราะเมื่อภิกษุปูราที่นอนสิทธิยาวมีประการดังที่กล่าวแล้วที่คุ้มกันได้มีภายในห้องเป็นต้นแล้วไปเสียที่นอนก็ดีเสนาสนะก็ดีย่อมเสียหายเพราะปลวกทั้งหลายจะกลายเป็นจอมปลวกไปทีเดียวฉะนั้นท่านจึงปรับปาจิตีแต่สาหรับภิกษุผู้ปูไวในที่มีอุปาาาทานสาราเป็นต้นายภายนอกแล้วไป เพียงแต่ที่นอนเท่านั้นเสียหายไปเพราะสถานที่คุ้มกันไม่ได้เสนาสนะไม่เสียหายเพราะฉะนั้นท่านจึงปรับเป็นทุกกฎในอุปทานณสาราเป็นต้นนี้ก็เพราะตัวปลวกทั้งหลายไม่อาจจะกัดเตียงและตัางทันทีฉะนั้นเมื่อพิษุวางเตียงตัางนั้นไว้แม้ในวิหารแล้วไปท่านก็ปรับเป็นทุกกฎ ส่วนในอุปจาระแห่งวิหารเมื่อพิษุลาดไว้ในอุปทานศสาลาบนดกโคนต้นไม้แล้วหลีกไปหลับอบัตทุกกดเท่านั้นเพราะมีพระบัญญัติว่าอันหนึ่งพิษุดอยวางไว้เองก็ดีใช้คนอื่นวางก็ดีซึ่งเตียงก็ดีซึ่งตังก็ดีฟูกก็ดีเก้าอี้ก็ดีอันเป็นของสงในที่แจ้งเมื่อหลีกไปไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช้ให้เก็บก็ดี ซึ่งเสนาสระที่วางไว้นั้นหรือไม่บอกมอบหมายไปเสียเป็นอาบัติตาจิตติอันนี้อยู่ในภูตคามวัตภูตคามวัตว่าที่สองอปาจิตตีสีคาบทที่สี่ที่ห้าเรื่องของการวางเตียงต่งของสงในที่แจ้งกับการวางที่นอนในวิหารวังสงแล้วก็ไม่เก็บต้องปาจิตตี ก็อนพิสูจวางเองก็ดีใช้คนอื่นวางก็ดีซึ่งเศนาสนะสี่อย่างมีเตียงและตังเป็นต้นอันเป็นของสงไว้ในที่แจ้งสี่อย่างก็คือเตียงอย่างหนึ่งตังอย่างหนึ่งฟูกอย่างหนึ่งเก้าอี้อย่างหนึ่งอันเป็นของสงถ้าไปวางในที่แจ้งไม่เก็บหลีกไปก็บัตรปฏิจตีแล้วก็ไม่กระทําการเก็บเองเป็นต้นแม้ไปด้วยคิดว่าจะกลับมาในวันนี้ทีเดียว เป็นอาบัติปะจิตีเมื่อก้าวล่วงเลทูบาทแห่งบุตผู้มีกำลังปานกลางก็คือช่วงควางก้อนดินตกถ้าหลีกไปแล้วก็ไม่กระทาการเก็บเองไปด้วยคิดว่าจะกลับมาในวันนี้อันนี้แม้ผูกใจไว้ก็เป็นอาบัติแต่ว่าก้าวล่วงเลทูบาทไปเป็นอาบัติปะจิตี ในเสนาสนานานชื่อว่าเก้าอี้ได้แก่เก้าอี้ที่ทำด้วยเปลือกไม้ก็ดีทำด้วยหญ้าคมแฝกก็ดีทำด้วยหญ้ยยามุงกระต่ายก็ดีทำด้วยหญ้าปล้องที่เขาถักให้กว้างทั้งข้างล่างและข้างบนตรงกลางสอบก็คือแค่มีสันฐานคล้ายกับบันดาะได้ยินว่าชนทั้งหลายทำโต๊ะ อ, อ้น้นให้หุ้มด้วยหนังสีหะก็คือหนังสิงโตและถือโครงที่ตรงกลางก็มี ในเสนาสนะนี้ชื่อว่าหนังที่เป็นอกัปยะไม่มีจึงอยู่แม้เสนาสนะที่เป็นวิการแห่งทองก็ควรเพราะเหตุนั้นเสนาสนะนั้นจึงเป็นของมีค่ามากจึงต้องดูแลรักษาอย่างดีเพราะมีพระบาลีว่าดูการพิจสุดทั้งหลายเราอนุญาตให้เก็บเสนาสนะไว้ในปรมที่โคนไม้หรือในที่ซึ่งนกกาหรือนกเหยี่ยวจะไม่ถ่ายมูลรดได้ตลอดแเดือน ซึ่งกำหนดว่าไม่ใช่ฤดูฝนดังนี้ก็พิสุจจะเก็บไว้ที่ประราที่ทำด้วยกิ่งไม้ประราที่ทำด้วยไม้เรียบหรือที่โคนต้นไม้ตลอดแดเดือนคือสี่เดือนในฤดูเหมันฤดูหนาวสี่เดือนในฤดูคิมหันก็คือฤดูร้อนที่ไม่ได้กำหนดอย่างนี้ว่าเดือนทั้งหลายแห่งฤดูฝนต้องควรก็คือให้หลีกเลี่ยงฤดูฝนจะเก็บไว้ในที่ต่างๆที่แสดงนี้เนี่ย ในแปดเดือนนกกาและนกตะกลุมเหล่านี้หรือนกเหล่าอื่นทํารังอยู่ด้วยการอยู่ประจําในต้นไม้ใดไม่พึงเก็บไว้ที่โคนของต้นไม้นั้นในชนบทเหล่าใดฝนไม่ตกในฤดูฝนแม้ในชนบทเหล่านั้นจะเก็บไว้ตลอดสี่เดือนก็ไม่ควรเพราะมีพระบารีว่าตลอดแปดเดือนแม้เป็นฤดูฝนแต่ฝนไม่ตกก็เก็บไว้ไม่ได้ เพราะว่าห้ามเก็บในฤดูฝนในชดบทเหล่าใดฝนตกในฤดูเหีมันคือฤดูหนาวในชดบทล่านั้นจะเก็บไว้ในที่แจ้งแม้ในฤดูเหีมันก็ไม่ควรความจริงแล้วอนุญาตว่าให้เก็บได้สี่เดือนฤดูหนาวอีกสี่เดือนในฤดูร้อนแต่ถ้าเกิดฝนมันตกในฤดูหนาวเนี่ยตกบ่อยก็ไม่ควรจะเก็บไว้เหมือนกันส่วนในฤดูขิมหันท้องฟ้าบริสุทธิ์สะอาจากเมฆในที่ทั่วไป ในเวลาเช่นนี้จะเก็บเตียงและต่างในที่แจ้งด้วยกรรมีจำเป็นบางอย่างก็ควรคือมีก็บที่จะเก็บเอาไว้เนี่ยเพราะมีพระบาริย่ซึ่งกำหนดว่ามีใช่ฤดูฝนแม้ปิโุผู้ถืออพโพอกาสิกะทุดงก็คืออยู่กลางแจ้งก็ควรรู้วัดจริงอยู่ถ้าเธอมีเตียงส่วนบุคคลก็พึงนอนบนเตียงส่วนบุคคลนั่นแล เมื่อจะถือเอาเตียงของสงพึงถือเอาเตียงที่ถักด้วยหวายหรือด้วยปอเมื่อเตียงถักด้วยหวายหรือว่าด้วยปอนั้นไม่มีพึงถือเอาเตียงเก่าเมื่อเตียงเก่านั้นไม่มีพึงถือเอาเตียงที่ถักใหม่ๆหรือที่บุกด้วยหนังก็แลครั้นถือเอาแล้วคิดว่าเราจะถือรุกขมูลอย่างเคร่งถืออภโกาสิกาทุดงอย่างเคร่งก็คืออยู่คนไม้กับอยู่กลางแจ้ง ดังนี้แล้วไม่ทำแม้ซึ่งกุดีจีวรก็คืออาจวนมาทาเป็นเพดานทาเป็นเหมือนกับกุดีจัดตั้งเตียงต่างนั้นในที่แจ้งหรือที่โคนไม้แล้วนอนในคราวที่ไม่ใช่สมัยย่อมไม่ควรก็คือไปนอนในรดูฝนเพราะว่าดูฝนนี้ไม่อนุญาตให้ไปเก็บไว้ใต้พวกต้นไม้อะไรเหล่านั้น ก็ถ้าว่าพิษสุไม่อาจเพื่อจะรักษากูดีที่ทำด้วยจีวรแม้ตั้งสี่ชั้นไม่ให้เปียกได้มีฝนตกพราตลอดเจ็ดวันจะจัดตั้งเตียงน้อยนอนก็ควรเพราะเตียงนอนเป็นไปตามร่างกายของพิกษุพวกมนุษย์มีจิตเลื่อมใสในศีลสัมปทาของพิษสุทั้งหลายผู้อยู่ในกระท่อมใบไม้ในป่าจึงถวายเตียงและต่างใหม่กล่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงใช้ถ้อยโดยใช้ถอยเป็นของสงฆ์คือแบ่งเงินใช้ถอยพิสูทั้งหลายผู้อยู่แล้วจะไปพึงส่งข่าวไปบอกแก่พิสูุผู้ชอบพอกันในวิหารที่ใกล้เคียงแล้วจึงไปเมื่อไม่มีพวกพิสูจนผู้ชอบกันพึงเก็บไว้ในที่ที่ฝนไม่ร่วรดรแล้วจึงไปเมื่อไม่มีที่ที่ฝนไม่ร่วรดรพึงแขวนไว้ที่ต้นไม้แล้วจึงไป ติ๊กตูดถือเอาไม้กวาดที่ลานเพื่อจะดีไปกวาดลานหอฉันก็ดีลานโรงอุโบสถก็ดีที่แห่งใดแห่งหนึ่งมีบริเวณที่พักกลางวันและโรงไฟเป็นต้นล้างแล้วก็เคาะไม้กวาดนั้นแล้วพึงเก็บไม้กวาดไว้ในโรงนั่นแหละอีกแม้พิสูจนพูดถือเอาไม้กวาดในที่แห่งใดแห่งหนึ่งมีโรงอุโบสถเป็นต้นไปกวาดบริเวณที่เหลือก็ในนี้นั่นแหละคือเอามาจากที่ไหนก็เอาไปเก็บในที่นั้นเสีย จะได้เรียบร้อยส่วนทิ่ษุดใดกวาดทางเที่ยวพิขาจาร์ประสงค์จะไปบินทบาทเลยที่สุดนั้นกวาดแล้วพึงเก็บไว้ที่ศาลาซึ่งถ้ามีอยู่ในระหว่างทางนั้นถ้าศาลาไม่มีกําหนดว่าเมฆฝนยังไม่ตั้งเขาขึ้นรู้ว่าฝนจักยังไม่ตกจนกว่าเราจะออกมาจากบ้านเก็บไว้ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วกลับมาพึงนํามาเก็บไว้ในที่เดิมอีก ในมหาปัญจเรีท่านกล่าวว่าถ้าพิจุรู้อยู่ว่าฝนจะตกวางไว้ในกลางแจ้งเป็นทุกข์กฎเหมือนกันรู้ว่าฝนจะตกแล้วไปเอาไม้กวาดไปวางไว้กลางแจ้งดังนี้แต่ถ้าว่าไม้กวาดเป็นของที่เขาเก็บไว้เพื่อประโยชน์สําหรับกวาดในที่นั้นๆ น, น, นั่นเองพิจุจะกวาดที่นั้นนั้นแนวเก็บไว้ในที่นั้นๆั้นสมควรอยู่พิจุผู้จะกวาดโรงฉันควรรู้จักวัด วัดในการกวาดโรงฉันนั้นดังนี้พึงกวาดทรายตั้งแต่ท่ามกลางแต่ล้มมาไว้ตรงหน้าที่เท้ายืนพึ่งเอามือทั้งสองกอบหยาบเยื่อแล้วก็เอาไปถิ้งข้างนอกถ้าพิสูจใช้อนุสบำบัดให้วางเสนาสนะของสงฆ์แม้ทั้งสี่อย่างก็คือเตียงต่างฟูกแล้วก็กี่สี่อย่างนี้ดังกล่าวแล้วไว้ในที่แจ้งที่โคนต้นไม้หรือว่าที่ปรม ร, รูปใดให้วาง เป็นภาระของผู้ที่ใช้นั้นคนไหนใช้ให้ไปวางคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบก็ต้องไปเก็บหรือว่าใช้ให้ไปเก็บถ้าไม่เก็บไม่ใช้ไม่เก็บก็อภิปรายตีเมื่อล่วงเลยอุปจาระหรือว่าได้ทุบะแต่ถ้าใช้อุปสมบันิให้วางรูปใดวางเป็นภาระของอุปสมบันนั้นต่างกันนะถ้าใช้อนุสมบันิให้ไปวางเป็นภาระของพิทุผูใช้ก็ว่า อนุสัมบันฑ์กับอสา ม, มนเนรไม่มีอบัติของพระภิกษุมีอบัติถ้าใช้อนุสัมบันฑ์เป็นภาระของผู้ใช้แต่จะใช้อุปสัมบันฑ์อุปสัมบันฑ์นี้มีอบัตินั้นก็เป็นภาระแต่อุปสัมบันฑ์นั้นผู้ที่วางผู้ที่ถูกใช้นั่นเองในเรื่องนี้มีวิธีใช้ดังต่อไปนี้พระเจระกระทำพัตกิจในโรงฉันแล้วสั่งภิกษุหนุ่มว่าเธอจงไปตั้งเตียงต่างในที่พักกลางวัน ทิสุนุมนั้นกระทำตามสั่งแล้วนั่งพระเถระเที่ยวไปตามความพอใจแล้วจึงไปในที่พักกลางวันนั้นวางถุงย่ามและอุตราสง์ก็คือชีวรที่ใช้ห่มเนี่ยไว้จำเดิมแต่นั้นไปเป็นภาระของพระเถระพระเถระนั่งแล้วเมื่อจะไปไม่เก็บเองไม่สั่งให้เก็บเป็นปาจิตตีในเมื่อเดินเลยเลทุบาทไป ก็จ่าพระเถระไม่วางถุงย่ามและอุตราสงไว้บนเตียงและต่างนั้นจงกลมพางั่งพิสุนุ่มว่าเธอจงไปเถิดพิสุนุ่มพึงบอกว่านี้เตียงต่างขอรับถ้าพระเถระรู้ธรรมเนียมพึงกล่าวว่าเธอไปเถิดเราจะกระทำให้เป็นปกติเดิมถ้าพิสุผู้เถระเป็นคนเขลาไม่ได้ศึกษาธรรมเนียมกลับขู่ตะคอกพิสุนุ่มว่าไปเถิดอย่าบัยูยในที่นี้ เราจะไม่ให้ใครนั่งไม่ให้ใครนอนพิกตุนุ่มเรียนว่าท่านนอนตามสบายเถิดขอรับก็ได้ข้ออ้ามไหว้แล้วพึงไปเถิดก็เป็นภาระของพระเถระไปเมื่อพิกตุนุ่มนั้นไปแล้วเป็นภาระของพระเถระเท่านั้นและบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นอาบัติแก่พระเถระนั้นโดยในก่อนนั่นเทียวก็คือถลีกไปแล้วไม่เก็บไม่ให้คนอื่นเก็บเลยเลตุบาลไปว่าบรรพจิตตี ก็ทราบว่าในขณะที่สั่งนั้นเองทิพซุนมเรียนว่าท่านขดรับผมมีกิจจำต้องทำบางอย่างมีการซักล้างสิ่งของเป็นต้นและพระเถระกล่าวกับเธอว่าเธอตั้งแล้วจงไปเถิดคือไปเอาเตียงตั้งมาตั้งไว้ดังนี้แล้วออกจากโรงฉันไปเสียที่อื่นพระวินัยทรพึงปรับพระเถระด้วยการย่างเท้าคือใช้ให้เขาไปตั้งเตียงตั้งแล้วก็ไปที่อื่นเสีย ปาบัติตามย่างเท้าเลยถ้าพระเถระไปนั่งในที่นั้นนั่นเองและเป็นอาบัติแก่พระเถระนั้นในเมื่อเดินเลยเลตุบาทไปโดยในก่อนนั่นเองเพราะถ้าว่าพระเถระสั่งสามเณรเมื่อสมมเณรแม้จะตั้งเตียงและต่างในโรงฉันนั้นแล้วนั่งพระเถระไปเตี๋ยที่อื่นจากโรงฉันพระวินัยทรนพึงปรับด้วยย่างเท้าเดินเหมือนกันใช้เข้าไปแล้วแล้วก็ไม่ไปดูนะ กระเถระไปนั่งแล้วในเวลาไปพึงกลับด้วยบัตในเมื่อเดินเลยเลทุบาไปก็ถ้าว่าพระเถระเมื่อจะสั่งจึงสั่งว่าเธอจัดตั้งเตียงและต่ําแล้วจงนั่งรอที่เตียงและตั้งนั้นนั่นแหละดังนี้ย่อมได้เพื่อจะไปในที่ที่ตนปรารถนาแล้วกลับมาส่วนผู้รับสั่งเมื่อไม่ทำให้เป็นปกติตัวเองเดินไป เป็นปฏิติในเมื่อเดินเลยเล่ห์ุบาทไปก็คือถ้าพระเถระสั่งให้ไปจัดตั้งเตียงต่างไว้แล้วก็บอกให้ที่สุที่จัดตั้งเนี่ยนั่งรออยู่ที่นั่นพระเถระจะไปที่อื่นก็ได้ไม่มีอบัตแต่ถ้าเกิดไม่ได้บอกให้ทิ่สุหนุ่มนั่งอยู่ที่นั้นถ้าเดินไปที่อื่นนี่ก็ชื่อว่าหลีกไปอนุกันก็ปรับด้วยอบัตปฏิตีเมื่อเดินเลยเล่หุบาทไป ในระหว่างการประชุมภิกษุดทั้งหลายตั้งเตียงและตั่งแล้วนั่งในเวลาจะไปพึงบอกแก่อารามิกะบุรุษก็คือคนทำการวัดว่าท่านทั้งหลายจงเก็บเตียงและตั่งดังนี้เมื่อพิกษุไม่สั่งไปเสียเป็นอาบัติในเพราะล่วงเลยและทุบาทไปธรรมดาการฟังธรรมครั้งใหญ่ย่อมจะมีพิกษุทั้งหลายนำเอาเตียงและตั้งมาจากโรงอุโบสถบ้างจากโรงฉันบ้าง จะตั้งไว้ในสถานที่ปังธรรมนั้นเป็นภาระของพวกพิจุเจ้าถิ่นเท่านั้นก็คือถ้าเกิดเขาไม่เก็บเนี่ยนะพิจูเจ้าถิ่นจะต้องดูแลจะต้องเก็บถ้าพวกพิจุอาคันตุกะถือเอาไปด้วยอ้างว่านี้สําหรับอุปัชาของพวกเรานี้สําหรับอาจารย์ของเราดังนี้แลจําเดิมแต่นั้นไปเป็นภาระของพวกพิจุอาคันตุกะนั้นเท่านั้นถ้าไปใช้เป็นของส่วนตัวไปให้อุปัชาอาจารย์ของตนเอง แต่ถ้าไปตั้งเอาไว้สาหรับฟังธรรมผู้นี้เป็นของส่วนกลางใครมานั่งก็ได้เป็นภาระของพิษุเจ้าทินในเวลาจะไปเมื่อไม่กระทําไห้ตามเดิมเดินเลยเล่ถุบาดไปก็เป็นอาบัติาหรับพิสุที่เอาเตียงต่างไปเพื่ออุปชาอาจารย์ของตนเองแต่ในมหาปจรีท่านกล่าวไว้ว่าชั่วเวลาที่พิษุพวกอื่นยังไม่มานั่งเป็นภาระของพวกพิษุผู้จัดตั้ง เมื่อพวกพิสูดเหล่า e อื่นมานั่งเป็นภา ร, ะ, ร ะ, ะของพวกพิสษุผู้นั่งถ้าพวกพิสษุผู้นั่งเหล่านั้นไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช้ให้เก็บก็ดีไปเสียเป็นทุกข์กฎไม่ได้เป็นปัจจิตีเพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนจัดตั้งตัวเองไม่ได้เป็นคนเป็นนํามาตั้งไว้ึงแต่ว่าคนอื่นก็เอามาตั้งไว้แล้วตัวเองก็ไปนั่งถ้าเดินเลยไปก็บัตรทุกข์กอแต่ ถ, ถคนจัดตั้งแล้วไม่เก็บก็อบัตจิตีเพราะเหตุไรเพราะว่า จัดตั้งโดยไม่ได้สั่งคือไม่ได้สังคนอื่นเขามาจัดตั้งเมื่อตั้งธรร ม, มาภแล้วพิกษุผู้สวดหรือผู้แสดงธรรมยังไม่มาเพียงใดเป็นธุระของพวกพิกสุผู้ตั้งเพียงนั้นเมื่อพิกษุผู้สวดหรือผู้แสดงธรรมมานั่งในที่นั้นแล้วเป็นภา ร, ระของพิกษุนั้นมีการฟังธรรมตลอดวันและคืนทั้งตืน่นพิกษุผู้สวดหรือผู้แสดงธรรมอื่นลุกไปพิกษุอื่นมานั่งพิกษุใด มานั่งเป็นภาระของภิกษุนั้นแต่เมื่อลุกขึ้นพึงกล่าวว่าอาสนะนี้เป็นภาระของท่านแล้วจึงไปถ้าแม้ว่าเมื่อภิกษุผู้สวดผู้แสดงธรรมนอกนี้ยังไม่มานั่นแหละภิกษุผู้นั่งอยู่ก่อนลุกไปและภิกษุผู้นั่งก่อนนอกนี้มานั่งอยู่ภายในอุปจารสถานที่นั้นนั่นเองเพราะวินัยทอนไม่พึงกับเธอผู้ลุกไปด้วยอวบคือยังนั่งอยู่ในบริเวณนั้น ก็ท้าว่าเมื่อพิกูจนผู้สวนและพูดแสดงทำนอกนี้ยังไม่มานั่นแหละพิกษจนผู้นั่งอยู่ก่อนลุกจากอาสนะเดินเลยเล่ห์ทุบาทไปพระวินัยทรพึงปรับเธอด้วยอาบัตะก็คือเป็นปาจิตตีแต่ในมหาปัญจเรห์ท่านกล่าวในนี้ไว้ว่าทุกทุกแห่งเมื่อเดินเลยเล่ห์ทุบาทไปเป็นทุกกฎในย่างเท้าที่หนึ่งเป็นปาจิตตีในย่างเท้าที่สองก็คือเป็นปาจิตตีเหมือนกันนั่นแหละ แต่ว่าปรับให้ละเอียดขึ้นคือปรับตามย่างเท้าเดินเลยเลขุบาทไปก้าวเท้าที่หนึ่งก็บัดทุกกดย่างเท้าที่สองไปก็ปฏิตรีก็ถ้าพิสูรลาดเองก็ดีใช้คนอื่นลาดก็ดีซึ่งเครื่องลาดพื้นเครื่องลาดเตียงเครื่องปูลาดเสื่ออ่อนท่อนหนังผ้าเช็ดเท้าตั้งกระดานของสองอื่นจากเสนาสนะมีประการดังกล่าวแล้วในที่แจ้ง เมื่อจะหลีบไปไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช้คนอื่นเก็บก็ดีหรือไม่บอกมอบหมายซึ่งสาสนาสนะนั้นแล้วไปเป็นอาบัตทุกกดถ้าเอาเครื่องนอนสิบชนิดนี้นี่ไปปูราดในวิหารของสงหลีบไปไม่เก็บไม่ใช้คนอื่นเก็บเลยเล่ตุบาทไปอาบัปตปัจจิตตีแต่ถ้าเกิดเอาเครื่องนอนสิบชนิดนี้ไปปูไว้ในที่แจ้งเมื่อหลีกไปไม่เก็บต้องอบัตทุกก ส่วนตียงต่างนั้นเอาไปวางไว้กลางแจ้งในเก็บเลยเลือดทุบาทไปก็บัดไปจิตตีั้งเป็นของสง่งถ้าของบุคคลก็บาด ท, ทุกกฎเมื่อพิสษุวางเชิญรองบาดฝาบาทกระเบื้องเช็ดเท้าพัดใบตาลพัดไม้เครื่องไม้อย่างใดอย่างหนึ่งชั้นที่สุดกระบวยตักน้ําสังตักน้ําดื่มไว้ในที่แจ้งแล้วไปเสียเป็นอาบาด ท, ทุกกนกัน พิกสุต้มน้ำย้อมในที่แจ้งแล้วพึงเก็บเครื่องใช้ทั้งปวงคือภาชนะน้ำย้อมกระบวยกรตักน้ำย้อมรางน้ำย้อมไว้ในโรงไฟถ้าโรงไฟไม่มีพึงเก็บไว้ในเงื้อมที่ฝนจะไม่รั่วรถแม้เงื้อมนั้นก็ไม่มีถึงจะวางไว้ในที่ตึง้งมีพวกพิสษุคอยดูแลอยู่แล้วไปก็ควรอันหนึ่งเป็นอบัตทุกกฎเท่านั้นแม้ในเสนาสนะ มีเตียงต่างเป็นต้นที่เป็นของบุคคลอื่นถ้าไปวางไว้ในที่แจ้งสำหรับในเรื่องนี้ในมหาปัญจตรีเป็นต้นท่านกล่าวไว้ว่าการถืออวิสาสะในบุคคลใดไม่ขึ้นเป็นทุกกฎในเพราะสิ่งของของบุคคลนั้นแต่การถืออวิสาสะในบุคคลใดขึ้นสิ่งของบุคคลนั้นย่อมเป็นดุลของส่วนตัวบุคคลของตนก็คือถ้า ไปเอาเตียงต่างของบุคคลอื่นมาใช้เนี่ยมาวางไว้ในที่แจ้งหลีกไฟไม่เก็บเนี่ยต้องอาบัตทุกกฎเฉพาะว่าคนนั้นถือสัสระนี้ขึ้นแต่ถ้าไปเอาเตียงต่างของบุคคลใดมาซึ่งถือวิสาสะในบุคคลนั้นขึ้นสิ่งของนั้นก็เหมือนกับเป็นของตนเองเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นอาบัต์เอาของของตัวเองไปวางไว้ในที่แจ้งและไม่เก็บเนี่ยไม่เป็นอาบัต์ เจ้าของบุคคลอื่นที่ถือวิสาสะไม่ขึ้นไปวางไว้ไม่เก็บเต้าบัตรทุกโกฏเต้าของสงไปวางไว้ในที่จแจ้งแล้วหนีไปในเก็บต้าบัตรป่าจิตตีจึงอยู่เป็นอนาบัตในเีลอาสนะของบุคคลของตนเองบุคคลใดจะเป็นพิกจุก็ดีสามเณรก็ดีคนทําการวัดก็ดีเป็นลัทธิย่อมสําคัญดุดเป็นภาระธุระของตนเมื่อพิกจุไม่บอกลาบุคคลเช่นนั้นแล้วไป ไม่เป็นอบัติแก่ทิสตุนั้นทิสตุใดเอาออกพึงไว้ที่แด่ไปด้วยคิดว่าจะกลับมาเก็บไม่เป็นอบัติแก่ทิสตุแม้นั้นก็คือถ้าจะไปแล้วก็มีความคิดว่าทิสตุที่เป็นลัชชีที่อยู่วัดนั้นจะดูแลจะเก็บให้เองนี่ผูกใจไว้ก็ไม่เป็นอบัติเหมือนกันคาถาวินิจฉัยเรื่องการปฏิบัติในเสนาสนะของสงฆ์มีเตียงต่างเป็นต้น ในบาลีมุตตะวิเนยะวินิชฉัยสังคหะจบแล้วก็ขออนุมุตนาสาธุแต่ผู้ที่รับสาพระวินัยเพื่อส่งไว้ซึ่งพระศาสนาคอยเป็นปัจชัยแต่มรคนิพพานโดยพรามด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ